พุทธวัจสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะอ่าดิฉันขึ้น ทำกิจกรรมในโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ระดับประถมต้นทั่วประเทศอืมแต่ๆเนี่ยเค้าท่องได้กันดีมากเลยค่ะทั้งค่ะอืมท่องได้ดีเหลือเกินแน่นอนอ่าอย่างไม่น่า มาท่องกันอืมก็เค้าเรียกเป็นเด็กเยียต้นๆเท่ากับ ป. อ1 ถึง 6 เนี่ยแหละ 5 เดือน 5 พระสูตรอืมฉะนั้นก็ ก็ยังงงๆเลยนะคะไอ้กายนี้เป็นกรรมเก่าเป็น กรรมเก่าจริงๆแล้วกรรมเก่าไม่ใช่คือถ้าจะพูดถึงก็คือจริงๆแล้วกรรมเก่าเนี่ยไม่ใช่ นั่นก็คือว่าในบาลีเนี่ยไม่มีคําว่ากายหรอกแต่ว่าไอ้ความที่เรารู้สึก 100% ไม่ 50 หรือไงคะ <May> อ๋อค่ะงั้นเป็นเช่นไรคะเช่นๆผ่องใสขึ้นมานะมีอมชมพูอะไรต่างๆนี่ กรรมใหม่ทั้งสิ้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอันเก่าล่ะอ่าเพราะฉะนั้น กับพระชาก็เลยพูดต่อถึงเรื่องของอะไรหลายๆที่มันเป็นค่ะงั้นก็เท่ากับว่าใจว่าอ๋อเพราะว่า 100% ไม่ 100% ใช่คือแต่ถูกบ้าง ค่ะนี่คือต้องต้องบอกอย่างงี้คุณหน่อยดีเพราะว่าคําพูดของพระเจ้าค่ะอ่าฮะแต่ใช่เป็นของมี ไม่เข้าใจค่ะเอ่อก็คือว่าอะไรล่ะปรุงแต่งกายนี้ให้โตขึ้นมากายนี้มีอะไรเป็นแดนเกิดมีมารดาบิดา คุณกินอะไรกินอะไรนะผิวพรรณหน้าตาคุณอืมใช่อ่าถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเนี่ยเราจะทําๆคือ อ่าอันนี้พูดถึงเรื่องวิชาที่จะพาตัวเองพ้นเรากลัวตายเราไม่อยากตายถ้าเรากลัวนะเราจะค่ะหนียังไง เป็นเค้าเรียกวิภวตัณหาเอ่อสมมุติเรากลัวแก่เราก็เลยอยากที่จะไม่แก่ค่ะเพราะอยากที่จะไม่แก่ ไม่ใช่อย่างแต่อยากเช่นสมมุติเราอยากอยากสวยอันนี้ก็คือตัณหาธรรมดาใช่มั้ยอยากเป็นนะอยากเป็นภวะตัณหาอยากสวยอยากรวยอยากหล่อพวกนี้ใช่อยาก คือวิภาวะตัญหาคือวิภพค่ะคือสรุปแล้วภาษาของทางพระพุทธองค์เนี่ยอันนี้ใช่แต่เป็นความอยากในการที่นั้นไม่ได้ค่ะเพราะ สิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นทุกข์ถ้าสิ่งนั้นเป็นคือคือถ้าเราเราเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยนะ นะคุณฎังทําความเข้าใจเรื่องความตายแล้วคุณจะพ้นจากความตายได้ครับแล้วก็หาเรื่องมาให้เรา เอ่อประโยชน์ของมันมีไม้ข้อเสียของมันคืออะไรแดนเกิดประโยชน์ของมันมีมั้ยข้อเสียเพราะเรารอบรู้เรื่องนั้นแก่แต่เพียงอย่าง คือมันมันเป็นเหมือนกับหน่อที่มันออกมาตรงแต่ค่ะรากมันคือพวกตัณหากับอวิชชานะบางคนบอกว่าฉันไม่กลัว นะเพราะว่ารากมันยังมีอยู่และบางทีเราคิดว่าเราไม่กลัว เอ่อเพื่อที่จะสรุปตรงนี้ให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของที่เราเริ่มต้นมาที่ว่าชวนน้องท่องพุทธวจนะ ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เด็กๆเนี่ยอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเด็กบางคนดิฉันเห็นเค้าพูดออกมาว่าเค้าได้ประโยชน์จากการที่ ค่ะเราเราว่าอ๋อเราอย่าไปเรื่องธรรมะชั้นสูงของพระพุทธองค์ก็อย่างนี้พอได้อยู่มั้ยคะอืมคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องอืมนะคะท่านเอ่อ ท่านพระบุญนะคะท่านผู้ฟังได้บอกว่ามีแง่ ทำไมอยู่ที่รอบตัวเรานี้เองนะๆก็พอจะเข้าใจได้ใน เรเราเคยฟังไปแล้วเคยคุยไปแล้วนานๆไปเอ๊ะเราลืมวันนี้เพียง FM 106 ด้วยที่เอื้อเฟื้อ